ขอนอบนมพระรันาตนตยขอการประจรันทรงศีลแล้วก็ขอการเพื่อจะทำให้ทุกท่านเจริญธรรมแม่ชีแล้วก็นักปฏิบัติธรรมทุกคนนะก็ฟังธรรมกันเนาะเป็นเป็นสิ่งที่ประกอบกับ ก, บการปฏิบัติของเราได้มีการสวดมนต์นะก็คือการที่ระลึกถึงคุณพระรันาตนตยนะ แต่ฟังธรรมก็ไม่ต้องพนมมือก็ได้นะให้ใจเราเข้าถึงนะเข้าถึงธรรมะนะก็ก็เป็นสิ่งที่เพียงพอละนะให้นั่งตามสบายปกตินะเราต้องสำรวจ ด, ดูร่างกายของเราว่าการนั่งแบบไหนนะการเดินแบบไหนการยืนแบบไหนการกินแบบไหนซึ่งมันเป็นความเป็นปกตินะไม่ทาให เกิดการเปลี่ยนเปลี่ยนให้กายนี้มันได้รับความทุกข์มากไปกว่าเก่าเพราะถ้าเราสังเกตดีๆเนาะกายมันมีแต่ทุกข์นะทุกข์ที่ต้องเรียกว่าเป็นประจำสังขารร่างกายนี้จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนมันก็มีความทุกข์แฝงอยู่ในนั้นแต่บางทีเราก็เรียกว่าในขณะที่นั่งเราก็นั่งไม่ค่อยเป็นนั่งแล้วทำให้ปวดดังมากกว่าเก่า นั่งแล้วทําให้เจ็บขามากกว่าเก่าจะเดินก็เหมือนกันเดินปกติธรรมดามันก็เมื่อยอยู่แล้วแต่บางทีเราก็ไปเดินให้มันช้าให้มันเรียกว่าผิดปกตินะมันก็ทําให้เกิดกายที่มันทุกข์เกินไปนะ่ะจะทําอะไรก็แล้วแต่ลองสังเกตดูนะสังเกตดูความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นนะ่ะบางทีเราก็ไม่รู้ตัวเพราะว่าเออเราคิดว่าทําแบบนี้แล้วมันจะดีนะ่ะ คิดว่าเดินช้าๆเดินย่องๆแล้วมันจะดีคิดว่ายกปือแบบตั้งใจมากๆนะกําหนดมากๆแล้วมันจะดีบางทีเราก็ลืมดูว่าที่จริงกายมันก็เครียดใจเราก็เครียดตามไปด้วยนะถ้าเราสังเกตโดยดีเราจะทําอะไรก็แล้วแต่นะดูว่าการกระทํานั้นๆมันเป็นไปเพื่อความเรียกว่า บรรเทาทุกข์หรือว่าแก้ทุกข์หรือเปล่าหรือว่าการกระทํานั้นๆของเราเป็นไปเพื่อความเพิ่มทุกข์ไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับทางกายก็ดีหรือทุกข์ที่เกิดขึ้นกับทางใจก็ดีเราสังเกตดีๆเนา ะ, นะจะทำอะไรก็แล้วแต่ดูว่ามันมันทุกข์มากกว่าเก่าไหมเช่นเราทานอาหารนะ่ะบางทีอย่างพระพิจารณาอาหารก็บอกว่าเราจะพิจารณาเราจะฉันอาหารเพื่อบรรเทาความทุกข์อันเกิดขึ้นจาก ทุกขเวทนาเก่าคือความหิวและไม่ทําทุกขเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นแต่บางทีเราก็ทานอาหารแล้วก็เพิ่มทุกนะเพิ่มโทษเข้าไปให้กับร่างกายนะทานจนกรทั่งมันอิ่มเกินไปเพราะว่าเพลินกับความอร่อยนะหรือทานแบบไม่เลือกเพราะเห็นว่ามันมีสีสันมันมีรสชาติน่าทานแต่มันมีโทษมีภัยอยู่ในนั้น หรือทานสิ่งที่เป็นอบายมุขเข้าไปนะก็ทําให้เกิดโตคเกิดภัยกับตนเองแล้วก็กับผู้อื่นมากขึ้นนะถ้าเราพิจารณาดูดีว่าการใช้ชีวิตของเรามันเป็นไปเพื่อความออกจากทุกข์หรือการใช้ชีวิตของเราเป็นไปเพื่อความเพิ่มทุกข์เพิ่มโทษนะเราจะเห็นเลยว่าอ้อที่จริงแล้วเราสามารถเลือกได้พิจารณาได้นะตอนนี้แหละคือตัวปัญญาอย่างหนึ่งในการที่เรียกว่ารู้จักเลือกใช้นะใช้ชีวิต นะใช้กายหรือว่าใช้ใจนี้ในทางดำเนินไปเพื่อความออกจากทุกข์ไม่ใช่เป็นการดำเนินไปเพื่อความาเกิดทุกข์มากขึ้นเหมือนที่เราได้สวดมนต์ทำวัดนะก็จะมีบทหนึ่งที่บอกว่าทำทำเชไหนการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งทิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้ก็คือการทำอย่างไรล่ะเราถึงจะดับทุกข์ได้อย่างทิ้นเชิงหรือเราจะหมดทุกข์ไป อันนี้คือคำถามที่สำคัญมากถ้าเราตั้งคำถามนี้ในใจของเราเนาะทำยังไงล่ะในชีวิตนี้เราถึงจะเรียกว่าทุกน้อยลงดับทุกมากขึ้นนะจะทั้งหมดทุกเลยโดยสิ้นเชิงถ้าเรามีเป้าหมายชีวิตของเราเป็นเช่นนี้ชีวิตของเราก็จะไม่ใช่มีชีวิตเปรแค่ตามกระแสนะมีเงินมีทองมีบ้านมีช่องมีครอบมีครัวมีชื่อเสียงกิติยศแต่ท้ายที่สุด ก็ไม่มีใครเอาอะไรไปได้เลยนะจะมีมากขนาดไหนมีน้อยขนาดไหนก็ไม่มีใครเอาไปได้ถ้าเราพิจารณาดูดีสิ่งที่เราต้องการจะได้มาในแต่ละวันทำงานวันหนึ่งแปดชั่วโมงบ้างสิบชั่วโมงบ้างหรือมากกว่านั้นบ้างก็ได้มาเพียงแค่บรรเทานะบรรเทาความทุกข์ชั่วคราวแต่สิ่งที่เกินกว่านั้นก็เอาไปไม่ได้แล้วถ้าเราพิจารณาดูดีว่าชีวิตของเรามันมีอะไรที่เป็นส่วน ส่วนเกินของชีวิตอะไรที่เป็นส่วนจําเป็นของชีวิตเราก็พิจารณาตรงนี้อันนี้ก็เป็นปัญญาในการใช้ชีวิตของเราในส่วนของการปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันเราก็ต้องอาศัยปัญญาตัวนี้ในการพิจารณายกมือแบบไหนคือความพอดีน่าสังเกตดูยกแบบไหนมันเกร็งมันเครียดมันเพ่งเกินไปให้เราสังเกตที่ตัวของเราบางทีเรายกเท่า จังหวะที่ครูบาอาจารย์ยกเลยยกได้เท่ากันนะยกเหมือนกันเป๊ะแต่บางทีการวางใจอาจจะแตกต่างกันก็ได้นะสิ่งที่สำคัญอยู่ไม่ใช่อยู่ที่จังหวะความเร็วความช้าความเบ า, คว า, เบาความหนักแต่ให้สังเกตดูที่ว่าการวางใจเป็นเช่นไร น, นะยกขนาดนี้ของเราพอดีไหมนะหาจังหวะความพอดีหาจังหว ะ, ะการยกการเคลื่อนการทาอะไรแล้ว เออสังเกตดูว่าใจมันปกติใจมันธรรมดาใจมันไม่เครียดใจมันไม่รอยเกินไปอันนี้คือความพอดีของแต่ละบุคคลหรือแม้แต่แท้ที่จริงแล้วความพอดีของพวกของเราเองมันก็เปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัย <c oughs> เช่นเดียวกันนะบางครั้งมันยกขนาดนี้เออมันพอดีบางครั้งมันมีความง่วงนะมามาแทรกมาซึม เราก็อาจจะยกเร็วขึ้นเราอาจจะทำให้มันคล่องขึ้นนะมันก็เป็นการแก้วความง่วงเป็นการปรับเปลี่ยนให้ร่างกายมันสดชื่นขึ้นหรือบางขณะเออมันยกเพลินเป็นอัตโนมัติเกินไปมันยกสนุกเกินไปยกไปคิดไปยกไปก็ฟุ้งไปแล้วก็ดูเออแบบนี้ไม่เข้าท่าแล้วนะเพราะว่าอะไรมันเป็นการฟุ้งมากกว่าการรู้ตัวเราก็ตั้งใจมากขึ้นนะแล้วก็มีการ อาจจะปรับจังหวะให้มันช้าลงแบบนี้ก็สามารถทําได้นะจะยกมือก็ดีจะเดินจงกรมก็ดีหรือแม้แต่การทํากิจวัตรอย่างอื่นก็ดีบางทีมันก็เพลินไปกับกิจวัตรก็มีหรือเพลินไปกับเพื่อนเพลินกับแบบสิ่งแวดล้อมแล้วก็ดูอ้อดูแบบนี้ดูใจของเราอ๋อมันเพลินไปแล้วนะหรือบางทีมันก็เพ่งเกินไปตั้งใจเกินไปเครียดเกินไปเราก็ดู ลงมาที่กายที่ใจของเราเนี่แหละนะเราดูตรงไปว่าเออมันอาการของกายมันเป็นเช่นไรอาการของใจมันเป็นเช่นไรนะใหม่ๆการปฏิบัติธรรมก็คือเราสังเกตที่อาการที่เกิดขึ้นกับกายการยกมือการเดินการนั่งการนอนนี่เรียกว่าอาการของกายนะเราดูอาการของกายไปเรื่อยจนทั้งเห็นอาการของรูปนะอาการของกายถ้าจะพูดแบบยาวๆก็คือ กิริยาท่าทางที่พวกเราทําเนี่ยแหละนะเราเอาจจะบอกว่าเรายกมือเคลื่อนไหวเราเดินจงกรมเราทำอะไรก็แล้วแต่นี่เรียกว่าเป็นอาการของกายแต่ดูไปดูมามันเข้าใจถึงอาการของรูปนะรูปตัวนี้มันลึกซึ้งกว่ากายนะมันเห็นเลยรูปมันเป็นทุกข์อย่างใดนะมันเห็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับรูปตลอดเวลานะมันไม่มีสุขไม่มีสบายในรูปนี้มันมีแต่ทุกข์มากทุกข์ปานกลางแล้วก็ทุกข์น้อยนะ ตอนนี้ที่เราไม่เจ็บไข้ได้ป่วยที่เราใช้คำว่าสบายดีอยู่แต่จริงมันก็ไม่ได้สบายตลอดไปนะสบายแป๊บหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นทุกข์นะไม่ว่าจะนั่งไม่ว่าจะนอนนะตอนแรกก็คิดว่ามันสบายคิดว่ามันสุขแต่ต่อไปมันก็เปลี่ยนไปทุกข์คือสภาวะที่เรียกว่ามันไม่สามารถดำรงอยู่ได้โดยอาการเดิมนะมันต้องเรียกว่าบรรเทาบาบัดแก้ไขไปนี่คืออาการของความทุกข์ ไม่สามารถทนอยู่ในในได้สภาวะเดิมสังเกตดูเยดีนะจะปรับเปลี่ยนแก้ไขเช่นไรมันก็ทุกข์อยู่ต่ําไปดังนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยสอนให้เรากําหนดรู้สึ่งความทุกข์ความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับกายมันเป็นเช่นนั้นเองแต่ถ้าเรามีสติเห็นอ้อความทุกข์ของกายเป็นเช่นนั้นกายมันปวดกายมันเมื่อยกายมันทุกข์กายมันยืนเดินนั่งนอนเพื่อแก้ไขทุกข์เพื่อบรรเทาทุกข์หรือเพื่อใช้กายเป็นเช่นนั้น ใจมีหน้าที่เพียงแค่รู้อ๋อใจมีสติคอยดูดูรูปมันทุกข์นะแต่ไม่ใช่เข้าไปเป็นผู้ทุกข์กับรูปเนี่ยเราก็เห็นอ๋อรูปมันมีความทุกข์เป็นชั้นนั้นรูปมันต้องเปลี่ยนแปลงไปเช่นนั้นเองน ะ, ะเจ็บไข้ได้ป่วยแก่ไปสุดท้ายก็ตายไปหรือแม่ที่จริงแล้วความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงมันก็มีตลอดเวลาไม่ต้องรอถึงขั้นที่เรียกว่าแก่เจ็บตายนะมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มันเปลี่ยนแปลงเพราะว่าตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช่เปลี่ยนแปลงเพราะว่าอยากให้เป็นอย่างที่ใจเราต้องการอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นลงไปนึกซึ้งลงไปในรูปเราดูเราดูกายเบื้องต้นเห็นอาการของกายแต่ดูนึกซึ้งเข้าไปอย่างมีสติเกิดปัญญาจะเข้าใจความจริงของรูปของกายนี้ว่าอ้อมันมีความไม่ทุกข์มีความมีความทุกข์มีความไม่เที่ยงมีความไม่ใช่ตัวตนบังคับไม่ได้อย่างไร แต่ดูลึกซึ้งเข้าไปอีกขั้นหนึ่งก็จะเห็นว่าแม้ในสภาวะที่มันเป็นทุกข์แต่ใจก็ไม่ไมจําเป็นต้องทุกข์กับกายก็ได้นะสังเกตได้ว่ากายมันเป็นทุกข์แต่ยังมีตัวที่ลึกซึ้งเข้าไปในนั้นว่ามันมีความทุกข์แต่มันก็มีความไม่ทุกข์อยู่ในนั้นก็คืออะไรสภาวะที่เห็นเฉยเป็นอาการมาเห็นว่ากายมันทุกข์แต่ใจไม่จมําเป็นต้องทุกข์เห็นว่ากายมันไม่เที่ยงรูปมันไม่เที่ยง แต่ใจมันก็ยังมีความเที่ยงนะใจที่ปกติมันเที่ยงนะใจที่ไม่ทุกข์อยู่มันเที่ยงอยู่มันมีอยู่เป็นของแท้แน่นอนนะแต่ใจหรอากายที่มันบังคับไม่ได้นะเราก็เห็นสภาวะตรงนั้นแต่ใจที่เป็นปกติมันก็ไม่ได้ไปไปยึดว่าอันนั้นเป็นตัวเป็นตนของเรานะมันกน็ให้เป็นของธรรมชาตินะเราดูกายไปเช่นนี้จนทั้งเห็นเข้าใจความจริงตรงนี้จนทั้ง เห็นเรื่องของนามธรรมเรื่องของจิตใจก็เป็นเช่นเดียวกันจิตใจก็เป็นเช่นเดียวกับกายนะมันก็มีความทุกข์มีความเปลี่ยนแปลงไปมีอาการที่บังคับไม่ได้ของมันตามเหตุตามบจจใจของมันแล้วเราดูอาการทั้งนี้ไปอ้อมันก็เห็นเลยว่าบางวันเราก็ปฏิบัติสบายสบายดีดีแต่บางวันก็มีนิวรมากมายเกิดความง่วงบ้างนะใหม่ใหม่หมนักปฏิบัติธรรมปฏิบัติสองสามวันแรกนี่ ความง่วงนี่จะเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคมากสําหรับหลายคนไม่เคยตื่นเช้าขนาดนี้นะก็เรียกว่าบางคนก็กลัวตั้งแต่ก่อนจะมาวัดละนะจะตื่นตีสี่จะตื่นไวไหมแต่เอาเข้าจริงจริงมันก็ไหวใช่ไหมมันอยู่ที่ใจของเราแต่ความกลัวของเราบางทีก็ทําให้เราตัดสินใจไม่อยากมานะหรือว่าเครียดนะแต่เอาเข้าจริงแล้วมันก็ไปได้ตื่นขึ้นมาแล้วก็กลัวไม่ได้กินกาแฟจะไหวไหม ฉันติดกาแฟนะบางคนก็แอบบพวกกาแฟมาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็เป็นความกลัวภายในใจของเราแต่เอาเข้าจริงเออมันอาจจะง่วงนะแต่พอเราจะเดินสตินะเราปรับเปลี่ยนเราอาศัยรูปแบบต่างๆช่วยเออมันก็อยู่ได้นะ่กลัวว่าฉันสองมือมันจะหิวเกินไปไหมนะกลัวจะเป็นโรคกระเพาะบางทีก็ค่วมกลัวเนี่ยแหละทําให้เราเรียกว่าวิตกกงังวลทําให้เราทุกข์ร่วงหน้าแต่แท้จริง แท้ที่จริงแล้วถ้าเรากลับมาเห็นว่าอ๋อที่จริงเราถูกความกลัวประบงการสั่งให้เราเรียกว่าไม่กล้าทําหรือว่าความกลัวมาบงการทําให้เราทุกล่วงหน้าไปก่อนเราย้อนกลับมาเห็นว่าอ้อความกลัวเป็นเช่นนั้นเมื่อเราเห็นแล้วว่าเออบางทีเราก็กลัวตักอาหารตัวเนี้ยอย่างอาตมาเองตอนบวชใหม่ๆเออตักอาหารก็เยอะๆกลัวอะไรกลัวหิวแล้ว เราไม่เคยกดอดอาหารเย็นนะเราก็คิดว่าถัดฉันมือเดียวแล้วมันต้องฉันให้มันเต็มที่แต่แท้ที่จริงแล้ ว, วกลัวก็ดอกทําให้เรากินมากเกินไปทําให้เกิดเป็นความทุกข์เนะี่ยนี่ก็กลัวหรือแม้แต่บางทีมาอยู่ในปา่าเออกลัวจะมีนั่นมีนี่มีสัตว์หรือเปล่ามีผีหรือเปล่ามีอะไรหรือเปล่ามันก็กลัวทําให้เรานอนคิดวิตกไปแต่ถ้าเราเจอสติไปเลยอ้อที่จริงมันจะเห็นเ คล้ายๆมันเปลี่ยนเป็นหน้ามือเป็นหลังมือถ้าเรามีสติเอะมันคิดไปถึงเรื่องความกลัวเรากลับมามีสติมันก็หยุดคิดอนะ่พอเผลอสติไปท่านไหนมันก็คิดอีกพอเรากลับมามีสติมันก็เออมันก็หยุดคิดไปอันนี้แหละแท้ที่จริงแล้วความกลัวไม่ใช่เกิดจากอะไรความกลัวเกิดจากการที่เราไม่รู้ทันจิตของเราเนี่แหละมักเลยปรุงแต่งไปเรื่อยปรุงแต่งไปสารพัดนะปรุงแต่งไปเห็นนั่นเห็นนี่ปรุงแต่งทําให้กลัวนั่นกลัวนี่ อันนี้ถ้าเราเห็นนะไม่ใช่แต่ความกลัวภายนอกแต่เห็นความกลัวภายในใจของเราเองนี่แหละนะมีมีตัวอย่างหนึ่งมีวัยรุ่นคนหนึ่งเขามาเดินธรรมญาตาิตาดุดน้ำลำบากเท้าเมื่อปีที่แล้วนะเขาเขียนเขียนประสบการณ์ชีวิตของเขาตอนหนึ่งเขาบอกว่าเขาก็ตั้งคําถามในการเดินธรรมญาตาิตาเขาเดินธรรมญาติตามาสี 4ี่ปีละนะปีที่แล้วนี่เป็นปีที่ห้าสำหรับเขาก็มีคนหลายคนถามว่าเข้ามาเดินธรรมญาตราทาไมนะเดินธรมรมญาตาก็คือเดินการเดินจาริกนะในแถบบริเวณนี้เทือกเขาภูแดนคารนะ์เขาก็มีคนถามว่าเขามาเดินธรรมญัตราทำไมบางทีเขาก็ตอบว่าเดินเพื่อปฏิบัติธรรมบ้างนะเดินเพื่ออะไรต่างๆบ้างแต่แท้ที่จริงแล้วเขายังไม่ได้คำตอบกับตัวเองนะ ปีที่แล้วเขาเลยมาเดินหาคําตอบให้กับตัวของเขาเองนะว่าเขามาเดินธรรมญยถ า, า, าเพื่ออะไรแล้วได้อะไรนะเขาก็ปีนี้เขาก็เลยเน้นว่าเออเขาจะมาดูมาหาคําตอบกับชีวิตของเขากับการเดินธรรมญยถ า, าตรงนี้ของเขาก็มีวันที่5ของการเดินธรรมญยถ า, าเขาบอกว่าเขาได้คําตอบของชีวิตนะได้คําตอบของการเดินธรรมญยถา ได้รู้จักการภาวานาจริงๆครั้งแรกเกิดจากอะไรเขาบอกว่ามีวันหนึ่งที่เดินบนหินบนหินแบบหินหินลุกเจ็บเจ็บะเป็นหินลุกกรังเจ็บมากเดินถอดรองเท้านะเดินลงไปเห็นอาการเจ็บของเท้าในการสัมผัสพื้นมันเจ็บมากจริงๆรนะิแต่เขาพออาการเจ็บในเท้านั้นเท้าต่อไปที่กําลังจะเหยียบลงไปพื้นอีกครั้งหนึ่ง เขาเห็นไม่ใช่แค่ความเจ็บเขาเห็นความกลัวเห็นความกลัวเจ็บที่ที่จะเหยียบลงไปนะเท้าเมื่อกี้มันเจ็บแล้วคราวนี้เท้าต่อไปที่กำลังจะสัมผัสพื้นเห็นความกลัวที่เจ็บนะกลัวว่าเท้าจะเจ็บเกิดขึ้นเห็นว่าความกลัวมันเกิดขึ้นพอมีสติเห็นใจมันเลิกกลัวใจเป็นปกติอ่ะเหยียบลงไปอ่ะมันแค่แค่เจ็บแค่กายแต่ใจเป็นปกติได้นะ เท้าต่อไปที่ย่างต่อไปก็เออก็เหยียบลงไปมันก็ยังเจ็บเป็นปกติอยู่แต่ใจมันไม่ได้กลัวใจไม่ได้เจ็บตามไปด้วยเขาบอกว่าเขานี่แหละเขาได้สัมผัสแล้วได้รู้จักแล้วกับการภาวนาก็คืออะไรเห็นเลยว่าออกายอาจจะเจ็บกายอาจจะเรียกว่าได้รับทุกข์น่มีทุกข์แต่ใจไม่จำเป็นต้องทุกก็ได้ถ้าเราเห็นอาการที่เกิดขึ้นกับใจอย่างแจ่มแจ้งอย่างชัดเจน จะเห็นเลยว่าอ๋อมันเป็นคนละส่วนกันแล้วพอมีสติเห็นนะ ว, ว่าความกลัวก็ครอบงําให้เราทุกข์ไม่ได้ความกลัวก็ไม่จําเป็นต้องทําให้เราเรียกว่ า, าเรียกว่าต้องทําตามมันอันเนี้ยก็เห็นว่าอ๋อเนี่ยการสัมผัสกับสติมันเป็นเช่นนั้นเราก็สังเกตดูดูอาการที่เกิดขึ้นนะในกายในใจของเราเนี่ยแหละนะเราภาวนาไปเรื่อยเนี่ยแหละนะคําตอบพวนี้ ความจริงพวกนี้มันปรากฏอยู่แล้วตลอดเวลาแต่เพียงแต่ว่ามันรอจังหวะที่เราจะเข้าใจความจริงเฉยๆที่จริงความจริงมันมีอยู่ตลอดเวลาธรรมะก็สอนเราตลอดเวลาธรรมะไม่ใช่รอแต่พระเทศรอแตอ่อยู่ในพระไตรปิฎกแต่ธรรมะคือความจริงที่มีอยู่ตลอดเวลาความจริงเ ร, เราศึกษาที่ไหนก็ศึกษาที่กายที่ใจของเราเนี่แหละนะ เรามาเจริญสติเรามาปฏิบัติธรรมหรือจะเรียกว่ามาภาวนาก็คือการมากลับมาดูดูกายดูใจของตัวเองนี่แหละนะมาเข้าใจที่ตรงนี้แหละไม่ใช่เข้าใจที่ตรงไหนการที่ต้องมาเดินจงกรมบ้างมายกมือสร้างจังหวะบ้างหรือทำในรูปแบบก็เพื่ออะไรเพื่อเพื่อบ่มเพาะอินทรีย์ของเราให้มันเรียกว่าเจริญงอกงามมากขึ้นอนะินทรีย์คือความความศรัทธานะ ความเชื่อมั่นในคําสั่งสอนของผู้รู้นะวิทยะความเพียร น, นะบางทีเราอาจจะเกียจคร้านเราอยากจะพักผ่อนเร า, าจะท้อถอยแต่เราก็ไม่ท้อหรือว่าเราก็ทนที่จะทําไปเรื่อยๆเนะี่ยก็คือการเพิ่มพูนพวกนี้ไปเรื่อยๆนะการมีสตินะแต่ก่อนเราจะจุะรู้จักแค่สติขับรถอย่างมีสติไม่เมาอันนั้นนะ่ะเรียกว่าเป็นสติแบบดกโรคเท่านั้นไม่ดื่มของไม่ลื่มการดื่มงานไม่ดืม ชื่อผู้คนอันนี้เป็นสติแบบโลกโลแต่สติในทางทำแล้วก็คือไม่ดืมตัวไม่ดืมว่าตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่คอยรู้อยู่ปัจจุบันขณะว่าตอนนี้กำลังทำอะไรนี่คือมีสตินะอันนี้อย่างที่หนึง่งหรือรู้ทันว่าใจตัวนี้มันเกิดอาการอะไรเกิดขึ้นกับใจอันนี้คือการมีสตินะการมีสติก็คือการมีการเลึกรู้ว่าปัจจุบันนี้กาลังทาอะไรอยู่หรือกาลังรู้สึกอย่างไรภายในจิตใจอยู่นะ อันนี้คือการมีสติการมีสติแบบโรคอันนั้นมันเป็นของที่ยากนะแต่การมีสติในทางธรรมเมื่อจะลุกเมื่อจะรู้ว่าตอนนี้กายหรือใจมีอาการอย่างไรมันจะเข้าใจลึกเข้าไปถ้าเรามีสติต่อเนื่องไปเรื่อยจะเห็นเลยว่ามันเป็นคล้ายๆภาพต่อเนื่องที่มันเรียกว่าเชื่อมโยงกันไปนะเหมือนการ์ตูนที่เขาวาดนะเขาก็วาด่อๆก็ต่อๆกันไปจะตั้งเป็นหนังได้อันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราเห็นนภาวะ ของกายหรืของใจต่อเนื่องไปเร้่อเราจะเข้าใจความจริงว่าอ้อมันเปลี่ยนแปลงไปเช่นนั้นนะมันเกิดขึ้นเช่นนั้นแล้วก็เปลี่ยนไปเช่นนั้นมันจบลงเช่นนั้นนะความคิดมันเกิดขึ้นมาแบบนี้นี่เองมันอยู่เช่นนี้มีมอาการแบบนี้แล้ว ก, ก็ดับไปเช่นนั้นของมันเนี่ยเราเก็เห็นตัวนี้เข้าใจความจริงแล้ น, นี้คือการกลับมาดูกายดูใจของเราเองก็คือการมีสตินะต้องระลึกรู้อยู่เสมอการสร้างจังหวะก็คือการสร้างตัวระลึกรู้เนีะ บางทีเรานั่งเฉยๆบางทีความรู้ตัวมันไม่เกิดขึ้นเพราะว่าอะไรมันไม่มีการขยับไม่มีการเขยือนไม่มีอารมณ์กรรมฐานสักอย่างหนึ่งเราก็เลยมาสร้างอารมณ์กรรมฐานสักอย่างหนึ่งให้มันเกิดความรูร้นะการเคลื่อนไหวเพื่อให้รู้การหายใจเพื่อให้รนะู้การเดินก็เพื่อให้ ร, รู้อันนี้คือสิ่งที่เราสร้างขึ้นมานะแต่แท้ที่จริงแล้ว้ตัวเคลื่อนไหวมันไม่ใช่ตัวสติ แต่อาการรู้ถึงเป็นตัวสตินะเพราะที่จริงพวกเราเคลื่อนไหวแทบตลอดเวลาอยู่แล้วแต่ทําไมเราไม่รู้นะเพราะเราเคลื่อนไหวฟรีๆเคลื่อนไหวแล้วไม่รู้ดังนั้นเราเลยเอาสองสิ่งนี้มาจับรวมกันนะก็คือให้มีการเคลื่อนไหวแล้วก็ค่อใจคอยรับรู้นะมาถึงเป็นอาการที่เรียกว่า2 ส, ส่วนประกอบกันแต่ถ้าเคลื่อนไหวแล้วใจลอยไปอันนั้นไม่เรียกว่ามีสติแม้จะเดินจงกรม วันละหลายชั่วโมงไม่จะยกมือวันละหลายชั่วโมงแต่ถ้าเราใจเราลอยไปไม่ลึกรู้ว่ากําลังทําอะไรอยู่ อ, นนาานะอันนั้นเรียกว่าขาดสตินะอัะนั้นสิ่งที่สําคัญของการมีสติก็คือมีสิ่งที่กําลังกระทําเป็นกรรมฐานสักอย่างหนึ่งจะทําทอะไรก็ได้นะแล้วก็คอยให้ใจได้ลึลรู้ว่ากําลังทําอะไรอยู่แล้วบางทีแต่บางทีสติมันก็ไม่เกิดขึ้นแค่การได้ลึกรู้กายเคลื่อนไหวอย่างเดียวดอก บางทีความคิดความนึกอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นอาการต่างๆเกิดขึ้นเกิดกับใจถ้ามันเด่นชัดขึ้นมาสติก็เข้าไปรู้ของมันเองอ๋อมันเห็นเลยว่ากำลังเดินจงกรมอยู่ดีๆแต่ความคิดโผล่ขึ้นมาเออมันก็รู้ทันความคิดที่เกิดขึ้นแล้วเราก็กลับมาเออเราไม่ไปตามความคิดมันหยุดความคิดแค่นั้นก็กลับมาเดินจงกรมต่อเออมันก็เรียกว่ามีสติได้เช่นกันยกมือสร้างจังหวะอยู่ ความคิดเรื่องงานแทกรกมาห่วงงานห่วงบ้านห่วงลูกห่วงอะไรก็แล้วแต่เกิดขึ้นมาพอเรารู้ทันอ๋อมันเป็นห่วงที่เกิดขึ้นจากความคิดมีสติรู้เออไม่ทําตามความคิดคือไม่ไปปรุงกับมันต่อก็วางความคิดนั้นนะเรียกว่าเป็นการปล่อยวางเป็นอุเบกขาอุเบกขาก็คือการวางเฉยกับอารมณ์นั้นๆก็กลับมามีสติในการ ร, ร, รู้กายไปเรื่อยแบบนนีะ้มันก็จะเห็นเลยว่าสติมันเลือกรู้ ทั้งกายที่กาลังทำอะไรอยู่แล้วก็เลือกรู้ถึงใจที่กาลังเกิดอาการอะไรกับใจนั้นๆแล้วก็เลือกรู้เช่นนั้นจิตที่มีส ต, ติเช่นนี้ต่อเนื่องเรียกว่าจิตที่มีสมาธิก็คือมีความตั้งมั่นตั้งมั่นไม่ใช่ว่านิ่งๆเฉยๆแลวไม่รับรู้อะไรหรือว่าจมกับความสุขความสงบความเพลินความเบาความสบายอันนั้นเป็นจิตแบบสมาธิที่เรียกว่าเป็นมิจฉาสมาธิ แต่สมาธิที่แท้จริงคือสมาธิที่ควรแก่การงานควรแก่การเรียกว่ารู้เนื้อรู้ตัวนี่คือสมาธิสมาธิที่แท้จริงก็คือจิตตั้งมั่นแล้วก็เลึกรู้อารมณ์อย่างต่อเนื่องแล้วลิกรู้อารมณได้ใจที่เป็นกลางด้ใจที่ไม่ปิดเรียกว่าไม่ไหลไปกับอารมณ์นี่คือความตั้งมั่นก็คือมีความมั่นคงนะมีความมั่นคงเรามั่นคงนะไม่ไหลไปกับอารมณ์นะ เห็นอารมณ์เกิดขึ้นแต่มีสติเป็นเพียงแค่ผู้เห็นเฉยเห็นความง่วงเกิดขึ้นแต่จิตไม่ใช้ง่วงด้วยนะความง่วงมันครอบมันเข้ามาครอมงำแต่แท้ที่จริงแล้วตัวเห็นไม่ใช่ตัวง่วงไม่เป็นคนละตัวกันนะมันเป็นคนละส่วนกันเห็นเป็นเป็นเช่นนั้นนะเหมือนกับน้ํากับน้ํามันมันแยกส่วนกันน้ํามันก็อยู่ส่วนหนึ่งน้ําก็อยู่ส่วนหนึ่งสมาธิคือแบบนั้นใจที่มันตั้งมั่นเป็นเช่นนั้น มีอาการในเกิดขึ้นมาครอบงำแต่มันไม่สามารถครอบงำได้เพราะว่าความตั้งมั่นมันอยู่ต่างหากของมันมันมั่นคงเช่นนั้นนะบางทีครูบาอาจารย์ก็เปรียบเหมือนว่ามันเหมือนคือสภาวะที่เรียกว่ามันมั่นคงมันเข้มแข็งนะแล้วก็ที่จริงมันประกอบด้วยปัญญาด้วยนะมันมีความรู้มีความเข้าใจความจริงว่าแท้ที่จริงแล้ว สภาวะปกติมันเป็นเช่นนั้นสภาวะอาการที่ผิดปกติไปมันเป็นอีกแบบหนึ่งนะสภาวะที่ผู้รู้ผู้ดูมันเป็นเช่นนี้แต่สภาวะที่เกิดขึ้นมันเป็นเพียงแค่สิ่งที่ถูกรู้สุกดูเท่านั้นนะเนี่ยเราสร้างสติเราเจริญสติมันจะเกิดครบทั้งหมดนะความศรัทธาที่เกิดขึ้นก็ดีความเพียรเกิดขึ้นก็ดีสมาธิก็มีนะแต่วิคิดว่าเราเจริญสติแล้วสมาธิมันจะไม่มี มีอยู่ทุกขณะเป็นสมาธิอยู่ทุกขณะที่เรารู้ตัวนะั่นแหละเรียกว่าสมาธินะสมาธิที่เรียกว่าต้องอยู่เฉยๆต้องไม่รับรู้อะไรต้องอเบาสบายอันนั้นมันเป็นสมาธิที่ไม่ไม่เกิดประโยชน์นะเป็นสมาธิที่เรียกว่าทำไปให้เพลินๆให้มันสุขๆธรรมดาเฉยๆแท้ที่จริงแล้วบางทีสมาธิแบบนั้นชวนให้เราติดด้วยซ้ำนะอย่าง ขออนญาตนอกอย่างตัวเองตอนบวชใหม่ๆก็เหมือนกันบางทีเราทําสมาธิแบบนั้นทําไปในแต่ละวันนะไปอยู่ในป่านะไปนั่งสมาธิอยู่ในกรดนั่งวันนี้นะมันรู้สึกเมื่อมันเบามันสบายเกิดอาการความสุขนะบางทีก็เกิดความรู้สึกเหมือนตัวมันในลอยนะแม้ตัวมันจะตัวใหญ่นะแต่มันก็รู้สึกมันจะลอยขึ้นไปเหมือนกับเรียกว่าเหมือนกับ ลูกโป่งใหญ่ๆนะมันตัวใหญ่ขึ้นแต่มันเบาๆนะทาวันนี้ได้อาการแบบนี้ทำครั้งต่อไปก็อยากจะได้อาการแบบนี้อีกแหละนะบางทีบางวันวันได้ก็รู้สึกว่ามันทําได้ดีบางวันไม่ได้ก็รู้สึกมันไม่ดีมันมีกับดีกับไม่ดีมีแต่เอากับไม่เอาเออมีแต่เอาเอาแบบนี้ไม่เอาแบบนี้มันเป็นสมาธิที่เรียกว่าชวนให้ติดชวนให้หลงนะถ้าเราไม่รู้ทันนะ่มันจะ มันจะอยากจะได้อารมณ์แบบนี้ต่อไปแต่แท้ที่จริงและสมาธิที่แท้จริงไม่ใช่แบบนั้นนะถ้าสมาธิแบบนั้นมันก็มีแต่ว่าไปเสพนะม่นเหมือนกับยาเสพติดชนิดหนึ่งเสพความสุขแบบไม่ต้องซื้อแต่เป็นความสุขที่เรียกว่าอาศัยสมาธินะแต่แ ท, ท้จริงและความสุขแบบนั้นมันไม่ใช่ของยั่งยืนแต่ถ้าเราเจริญสติเราไม่ได้เสพความสุขเช่นนั้นแต่เรามารู้ความจริงที่มันเกิดขึ้นนะ แม้บางทีอาการแบบนั้นจะเกิดขึ้นแต่ถ้าเรามีสติอ้อมันเบาก็ดกูมันเดาแค่ดูมันเฉยบางวันมันหนักมันเครียดเราก็ดูมันเราไม่ใช่เป็นผู้เครียดไม่ใช่เป็นผู้หนักด้วยนะถ้าเราเป็นผู้ดูนะเนี่ยนะคือสมาธิที่แน่นอนเลยมันตั้งมัน่นไม่ไหลไปจมกับความสุขไม่ไหลไปจมกับความทุกข์ไม่เอาทั้งดีและเอาไม่เอาทั้งไม่ดีไม่เอาทั้งถูกหรือทั้งผิดเป็นเพียงแค่ผู้ดูสิ่งที่เกิดขึ้น ไม่เอาทั้งชอบหรือไม่ชอบน่นะดูแบบนั้นอาการที่เป็นสมาธิมันเกิดปัญญาตรงนี้ด้วยอ้อปัญญาที่เข้าใจความจริงว่าเราไม่สามารถเอาอะไรได้ทั้งนั้นเพราะปัญญาแต่การรู้ว่าถ้าเมื่อใดเราไปยึดนะจะไปยึดรูปก็ดีไปยึดนามก็ดีว่าเป็นตัวเป็นตนของเราอ่ามาเอามายึดไว้เมื่อนั้นแหละมันเกิดความทุกข์มันเกิดปัญญาเข้าใจตรงนี้ว่าอ้อทางเหตุของความทุกข์เกิดจากการที่เราไปยึด ไปยึดมั่นถือมั่นว่ารูปนี้เป็นของเราไปยึดมั่นถือมั่นว่ากายว่านามนี้เป็นของเราว่าใจนี้เป็นของเราเมื่อไรที่เราไปยึดเมื่อนั้นก็เลยทุกข์แต่แท้ที่จริงแล้วเมื่อเราไม่ยึดอ๋อกายมันก็เป็นชิ้นนั้นของมันเองนะมันไม่ใช่เราใจมันเป็นชิ้นนั้นของมันเองมันไม่ใช่เราเมื่อนั้นมันก็ไม่ทุกข์แล้วนะผู้ที่มีสติจะเห็นเลยว่าอ๋อเมื่อไรที่เราไปยึดนะก็คือเข้าไปเป็นนะพระตาหลวงพ่อเขมเขียนบอกว่าเมื่อไหร่ที่เราเข้าไปเป็นนั่นแหละ เมื่อนั้นก็เกิดเป็นความทุกข์แต่เมื่อไรที่เราเป็นผู้ดูผู้รู้อยู่เฉยๆเมื่อนั้นมันก็ไม่ทุกข์น่นก็คือยึดหรือไม่ยึดว่าเป็นตัวเป็นตนตน่ะอันนี้คือสภาวะที่เราเห็นว่าอ้อสาเหตุของความทุกข์มันเกิดเพราะเช่นนั้นน่ะแต่แท้จริงแล้วความทุกข์มันก็มีอยู่เป็นธรรมดาแต่เราไปยึดไหมน่ะหรือเราไม่ยึดเหมือนกับกองไฟที่มันก่อไว้เราเข้าไป จับเราเข้าไปพิงมันหรือเปล่านะถ้าเราไปจับเราไปพิงมันมันก็ร้อนแต่ถ้าเราอยู่เฉยๆอยู่ห่างๆมันก็ไม่ร้อนน้ําร้อนมันก็มีอยู่เราจะเข้าไปใช้เกี่ยวข้องกับน้ําร้อนเช่นไรนะให้มันลวกมือหรือว่าให้มันตั้งอยู่เฉยๆตรงนั้นเราก็ดูเหมือนเช่นนั้นอนะ่ะอันนี้แหละคือสภาวะที่มันเกิดขึ้นจะเป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับกายก็ดีความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับใจก็ดีถ้าเราแค่เพียงแค่เห็นมันเฉยๆเออมันก็ไม่ทุกข์แล้ว แต่เราเข้าไปเป็นไปยึดไว้มันก็เกิดเป็นความทุกข์ใจมันเห็นว่าอ้อสาเหตุของความทุกข์มันเป็นเช่นนั้นเมื่อเห็นสาเหตุของความทุกข์สติมันเห็นสภาวะปกติสภาวะธรรมดามันก็เกิดขึ้นกับจิตนะจิตไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับสภาวะนั้นจิตก็เป็นปกติจิตก็ไม่ทุกข์ น, นี่คือการดาเนินนะคือสิ่งที่เรากลังกระทานะแม้มันยังไม่ใช่เป็นสภาวะเป็นเรียกว่าเป็น ของที่ยั่งยืนของนิรันดร์ของเราก็ดีนะมันยังไม่ของถาวรที่เกิดขึ้นกับจิตจิตก็ยังมีสุขมีทุกข์เกิดขึ้นสับเปลี่ยนกันไปยังมีรู้ยังมีหลงปรับเปลี่ยนกันไปยังมียึดยังมีวางสับเปลี่ยนกันไปแต่ขอให้เราสะสมสภาวะตรงนี้แหละสภาวะอ่าความรู้สึกตัวให้มันต่อเนื่องไป เ, เรื่อยมันก็เกิดปัญญามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะเกิดความเข้าใจมากขึ้นเกิดความง่ายในการที่จะวางมากขึ้นนะ แต่ก่อนเราง่ายที่จะยึดตอนหลังเราก็ฝึกนะฝึกที่จะง่ายที่จะไม่ยึดนะแต่ก่อนก็เคยง่ายที่จะทุกข์ตอนหลังก็พอฝึกไปเรื่อยมันก็ง่ายที่จะไม่ทุกข์อันนี้แหละคือสิ่งนี้เราฝึกเนาะนะนั้นการปฏิบัติทำแม้เราจะบอกว่าจิตมันเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเราแต่แท้ที่จริงแล้วมันเป็นสภาวะที่เรียกว่ามันฝึกได้สามารถฝึกได้เหมือนกับมมาเหมือนกับวัวหนกับควายอะ นันก็ไม่ใช่เราแต่เขาก็ฝึกได้นะถ้าเรามีปัญญาในการที่จะฝึกเขานะมีวิธีการในการที่จะฝึกเขาดังนั้นนะแม้เราจะบอกว่ากายว่าใจนี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเรานะแต่แท้ที่จริงแล้วเราก็สามารถฝึกได้ฝึกเพื่ออะไรฝึกเพื่อสร้างความไม่ทุกข์ให้เกิดขึ้นกับกายกับใจนี้ให้มันมากที่สุดอันนั้นคือการภาวนาถ้าเราเห็นว่าชีวิตนี้นะมันมีความทุกข์ เกิดขึ้นอย่างไรนะเราก็จะหาวิธีการในการที่จะแก้ทุกข์หรือบางคนอาจจะยังไม่รู้สึกว่าชีวิตนี้มันมันทุกข์มากนะหรือว่าไม่จําเป็นต้องรีบหาวิธีในการแก้ทุกข์แต่ขอให้ระลึกเถอะว่าวันหนึ่งบางทีเราก็ต้องเจอนะเจอความทุกข์แน่นอนเจอความพัดภาคสูญเสียคนที่เรารักของที่เราชอบใจถ้าเราไม่เตรียมตัวเตรียมใจไว้มันจะทุกข์หนักนะนะวันหนึ่งแฟนจากไป วันหนึ่งพ่อแม่ต้องตายไปเราจะต้องทุกข์ใจนะถ้าเราไม่เตรียมใจไว้หรือแท้ท้ายที่สุดแล้ววันหนึ่งแหละเราจะจากโลกนี้ไปทั้งหมดเราจะทุกข์ใจขนาดไหนถ้าเราไม่เตรียมใจไว้ถ้าเราไม่ฝึกขัดตรงนี้ไว้ดังนั้นแม้บางคนจะรู้รู้ซึ้งถึงความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตแล้วก็มีความเพียรในการภาวนาเพื่อที่จะออกจากความทุกข์อันนั้นก็เป็นสิ่งที่น่อนุโมทนาแต่บางคนยังไม่ เห็นชัดตรงนั้นก็ขอให้นึกไว้ให้ใช้ปัญญาพิจารณาว่าความทุกข์ต้องเกิดขึ้นกับเราแน่นอนนะถ้าเราไม่เตรียมใจไว้เพราะว่ายัางต้องมีการพัดภาคสูญเสียยังต้องมีเรียกว่าแก่เจ็บตายไปเราจะเตรียมตัวเตรียมใจยางไงล่ะดังนั้นแท้จริงแล้วเราเป็นโอกาสที่ดีที่ตอนนี้เรามีร่างกายที่แข็งแรงอยู่ที่ตอนนี้เราจะมีวัวที่สมบูรณ์อยู่ที่ตอนนี้เรายังมีสติปัญญาที่เรียกว่า คลองตัวอยู่ดังนั้นเราใช้สิ่งที่เรามีตัวนี้แหละในการเตรียมพร้อมกับชีวิตให้มันดีนะถือว่าโอกาสเนี้ยเป็นการใช้โอกาสในการเตรียมพร้อมในการฝึกผัดจิตใ จ, จเพื่อให้เข้าถึงความจริงของชีวิตเพื่อให้เผชิญหน้ากับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับอนาคตนะแต่แท้จริงแล้วคือเราตั้งใจในการเรียนรู้ที่ปัจจุบันเนี้ยแหละมันเป็นการเตรียมพร้อมกับอนาคตแล้วก็เป็นการสร้างอดีตให้มันดีขึ้นไปถ้าเราทําปัจจุบันดีนะ อดีตก็ต้องดีแนนะ่นอนนะอดีตมันก็ต้องเร law, bnb, ียกว่าเป็นไปเพราะว่าปัจจุบันมันดีอนาคตก็เป็นเช่นนั้นเพราะว่าอะไรเป็นการสร้างนิสัยในทางที่ดีในทางที่ถูกนะในทางที่เรียกว่าไม่ทุกในทางที่เกิดปัญญาถ้าเราสร้างนิสัยเช่นนี้ให้กับจิตนะจิตมันก็จะเกิดการเรียนรู้ในทางที่ถูกมันก็เกิดปัญญาเข้าใจความจริงของชีวิตนะอันนั้นการใช้ชีวิตต่อไปที่เหลือก็จะกลายเป็นชีวิตที่เรียกว่า มีกำไรนะมีกำไรที่ไม่ได้เกิดจากการลงทุนโดยไม่ต้องทํางานอะไรแต่มีกําไรที่เกิดจากการที่เรียกว่ามีความสุขในการใช้ชีวิตนะเข้าใจความจริงของชีวิตทั้งชีวิตของเราเองก็ดีชีวิตของคนอื่นก็ดีชีวิตของสรรพสัตว์ต่างๆก็ดีเข้าใจความจริงว่ามันเป็นเช่นไรอันนั้นการอยู่กับโรคนี้ก็จะเป็นการอยู่อย่างผู้ที่เรียกว่าอยู่เหนือโรคหรือผู้ที่เรียกว่าอยู่พ้นโลกก็คือไม่ทุกข์กับโรคนะ ไม่สุขไม่ทุกข์ไม่ปนไปกับโรคแต่เป็นผู้ที่ทําประโยชน์ให้กับโรคอย่างเต็มที่นะนี่เนาะคือการภาวนาของเราก็ก็พูดธรรมะนะความรบธรรมะเพื่อให้เป็นข้อคิดให้เป็นกําลังใจให้กับพวกเราเนาะเพราะว่าหลายคนก็มาภาวนาโดยที่อาจจะยังไม่มีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจในทางพุทธศาสนาหรือการปฏิบัติธรรมมาก่อนก็จะได้เกิดความรู้ความเข้าใจมากขึ้นหรือมางคน ศึกษาธรรมะมาพอสมควรแล้วปฏิบัติธรรมมาพอสมควรแล้วหรือบางคนอาจจะรู้มากกว่าอรตมะด้วยทาแล้วก็ถือว่าเป็นการเสริมเพิ่มเติมกันไปเท่ากันเนาะนะนะก็ถือว่าท้ายที่สุดนี้ก็ขอให้ทุกคนทุกท่านได้จะมีความเพียรในการฝึกหัดจิตใจแล้วก็ให้เข้าถึงนะความไม่ทุกข์ด้วยกันทุกคนทุกท่านด้วยเทิน